วนนี้วันทําบุญให้ต้องรีบร้อนสัสมบุญนำสุขมาให้บอกเกิดถึงนความสุขสุขทางใจเต <c oughs> ็นรู้สติเฉ็นทนอมนะึกรนึก ถ, ถึงจารคานุสตินึก ถ, ถึงทานที่บริจาคแล้วก็สุขใจนะ สีลานสติระสึกถึงฉินทนรักษาแล้วอาจบใจดังนั้นหน้าที่ของเราต้องสั่งสมบุญอย่าลืมหน้าที่ทำไมจึงทําบุญให้ทานทานของเร็ยวย่อมเลยของเร็วกตอบแทนทานของปลานี่ย่อมเลยของปลานี่ตอบแทนทำเดีกก็ไม่ทํา ทานนีก็ไม่ทานความดีทันวันดีทำแล้วมีความสุขพรกเขาไปหาใจนะสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจถ้าเราสุขใจโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสอยเยนเป็นสุขเขาพขาบุญแต่ว่าวถ้าไม่ทาบุญแล้วจิตใจมันเหนียวแห้งมันเศร้าหมอง มันอยู่คอร้อนนอนก็เป็นทุกข์รวยไม่รู้ว่ากี่รแสนล้ยังนอนร้องไห้ทั้งคืนก็มีนะบ้านไม่รู้ว่ากียชั้นยังนอนร้องไ ห, ห้อยู่ผ่านทุกข์รวยไหมเงินมันทุกข์รวยไหมไม่แต่ใ จ, ใจไม่มีอาหารใจไม่มีผลไม่มีคนชินคนฐานคอร่อยอยู่ร้อนนอนทุกข์แต่พวกเรานี้อยู่เย็นเป็นสุข ทำไมเพราะเราสั่งสมบุญทานของเร็วย่อมเลยของเร็วตอบแทนคนจะสอนย้อนกาาลับมาหาเรานะอ่านหนังสือธรรมโอษฐอก็คำดีเนาะเพราะว่ามีหญิงคนหนึ่งลูกสาวไม่ศรัทธาไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าแม่ถิดทุระแต่งกับข้าวให้ อาจจะบาดแทนแม่หน่อยแม่ติดหน้าที่ของแม่แก่แล้วต้องทํางนี้อันใช่หน้าที่ของลูกพะ อ, อย่างนั้นนะจะไม่ไปแม่เลยบอกว่าบอกไปจับบาดแค่นี้ไม่ได้ไม่ใช่ลูกกูนี่ใส่ออไม่เด็ดเลยทีนี้ก็ไปจับบาดด้วยความจำใจเิ็นแม่ไม่ได้ก็ เ, เลยไปใส่ แม่เขาเตรียมขนมใส่าจานไว้สามหมกพอตัวัดเสร็จแล้วตกกลางคืนเขานอนฝันแ้เขาพักไปเที่ยวสวรรค์ไปเห็นอะไรก็ดีหมดโอ้ยดีหมดเลยเขาก็เลยว่า ด, กดีก็จริงแต่ว่ามีเจ้าของแล้วนอนของเธอนอนขนมสามหมกนอน เห็นโอ้ยสลดสังเวชกลับมาที่นี้แม่ไม่ต้องแต่งเลยนะไม่ต้องบอกว่าไปตากวานให้หน่อยไม่ตื่นขึ้นก็เตรียมตากวาดแล้วมันเป็นอาหารทิพมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยผลบุญผลฐานให้ผลความพบความชาตทัญยวตาจานรวยไม่จนสินสวย ภาวนาปัญญาถ้าไม่มีผลบุญผลทานพระพุทธเจ้าจะสอนว่าทําไมพระสิมบดีนะ่ะเทจัตสกะเลิศก่อภิกษุช่างหลายเพราะผลบุญผลทานของท่านนั่นแหละเอเาเึิงพูมใจได้มาทำาร่วมกันคิดไม่ถึงนะแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าจะมีคนบุญมารวมกันมากถึียงขนาดนี้นะ ถ้าโผมใจยังไงก็ทต้องรีบร้อนสั่งสมบุญเอาความดีซะ ก, ก่อนจะรีบร้อนขนาดไหนก็ดีอยู่แต่ผลสุดท้ายก็จากไปถ้าไม่ทำบุญจะไม่มีความหมายรีบขนาดไหนรวยขนาดไหนก็ไม่เอาอะไรไปด้วยนะออกจากบุญท่านจึงบุญนำพาบุญเป็นนิจัยบุญเป็นปัจจัยบุญ เป็นเพื่อนสองของใจจะนำจะนำไปสู่พรโลเบื้องหน้าเรามาก็เพราะบุญนะบุญแต่งมาเกิดทุรมสมบูรณ์สนุกกินสนุกการโลกสวยเร่ารัดนี่เราเคยเห็นไหมคนอาภัพผับชนไร้ญาติขาดมิตรอาภาพัภาพผับชนทบุญนภภาพเขาอยากจะรวยเหมือนเราอยากจะสวยเหมือนเราไหมเขามีมันสมองไหมมีม ความคิดมีเยอะแยะทมไปแต่เงินใช้ไม่มีเลยไม่มีบุญไม่มีบุญช่วยพวกเรานี้มีบุญอารมสมบูรุญคนขำบุญชูบุญหนุนบุญส่งบุญมาพระรามีอยู่เย็นเป็นโศกทำให้ขอลุ้งถ้าไม่มีบุญถึงจะรุ่งครลุ้งนะเคยเห็นเศรษฐีตกอกไหมคนจสดใช้ก็ หายก็เตี๋ยวข้างกับนนก็มีนะเพราะลืมบุญนี่แหละบุญชินเป็นเสวียงเดินทางไม่จกรรมทานนี้เป็นเสวียงไม่จนภาษีมรีศิเป็นสะพานข้าแม่น้ำโบคัสรงสารปิดทางอาวายศิลี่ภาวนาเป็นจะเคียง เราเคยภาวนาไหมนี่เป็นแต่เคียงนะได้บุญแล้วก็ได้กุศลด้วยภาวนาเพระยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาถ้าจุดตะเคียงขึ้นความมืดมันหายนะความสว่างมันมาภาวนาจึงได้บุญจิตของเราสงบเป็นบุญตรกคืนนี้ก็ความสงบไม่มีและเป็นกุศลเป็นปัญญาแสงสว่าง เป็นผู้มีปัญญาท่านพวกเรายังโฮมใจเพ่งสะพานบุญไม่จะนีบุญเราจะมนร่วมกันอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่เป็นเราเป็นคนดาวพับปับจนและยากาดมิดเราไม่จะนีบุญชวนเพื่อนทําบุญรวยด้วยกันพัจจุาวันก็โฮมใจรวยสินโดยฐานนะพรจุวันนี้ แต่ว่าไม่ใช่คนหัวหมอนะถ้าคนหัวหมอก็ชนแต่เพื่อนทำแต่เจ อ, องไม่ยอบก็กระเพาเพื่อนเยอะนะเพื่อนก็รวยแต่เจ อ, องกลับยากจนไม่มีพจน์ทานท่านยังไม่ให้จตนีบุญแต่ทำบุญร่วมกันถ้าจตนีบุญก็ไม่มียากพวกพ้องไม่มีบริษัทบริวารฉะนนพวกเราเลยเคยทำบุญร่วมกัน เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องคนลั้งพ้องเขาเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าจะมูลร่วมกันต่อไปทางเคร า, ษษษษษษษพาพรทางเกจติฐานเราจะเอาความยากจนเห็นใจอย่าณมี <c oughs> ขอให้อารมสมบูรณ์ด้วยโพคศสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดเทวพรสมบัติเออกันทุกท่านทุกคน เจตตวบริวารโรบริเวณที่สกังหอวาเมวายโททินังเอตานังโอปะกะปิอิจิตังวจิตังตุมังเกปาเมวาจะมิชโตสภิปุเรนโทสังกบ ปาันโตภนราโสยัาอนอเชทจิระโสยัา เทวชนะเชริ <laughs> พิพาชเอาทยตตาวันจะปิภาิภนตโทยตายตาเจติเตโอวัตตุะมังค จดจับพมังค่ารังรักันทดจฉบพระเทวดาสะปาธรรมานุปาเวนาจดที่พวันุดเทิงจดจับพมังค่รังรักันจดจับพระเทวดา ฉันเอ่อ